เดี๋ยวคบกใก็ปฏิบัติต่ออทำทำได้ว่าทำจนให้มันเกิดความเคยชิ น, นอของจิตใจนะเวลาปฏิบัติจะทำให้จิตเขาเคยชินในการรู้ตัวน ะ, นะเคยชินในการที่จะกลับมากลับมาดู การมาสังนะกลับมาเห็นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนะคือความเคยชินของของคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะเคยชินนะในการลืมตัวนะเวลาไปรู้ก็รู้ข้างนอกนะรู้อันนี้ต้นไม้รู้ น, นี้คนนะสวยไม่สวยรอไม่รอ อ, อะไรต่างๆนะ เสียงก็เหมือนกันมันก็จะไปรู้แบบสมมุติเนาะสมมุติน่ะเพาะไม่เพาะน่ะนั่นนี่อะไรตา่างกลิ่นก็เหมือนกันนะหอมหรือเหม็นอะไรนะอาหารก็เหมือนกันนะรู้สมมุติเรี้ยวหวานมันเค็มนะอร่อยไม่อร่อยอะไรนะคือจิตมันจะรู้แบบนั้นนะไม่ต้องฝึกก็รู้เ <c oughs> พราะมันใช้สัญญา ใช้ประสบการณ์ของสิ่งที่เราเรียนรู้ทางโลกนะมันก็แต่พวกนั้นมันมันไม่ใช่ปรมัตดมันไม่ใช่ความจริงแท้มันยังมันยังเป็นเฉพาะกลุ่มนะอย่างเราอย่างเช่นอาหารเลยเนาะแบบนี้ยเราเรียกว่าอร่อยแต่คนอื่นอาจจะเรียกว่าไม่อร่อยก็ได้นะมัน ยิ่งถ้าให้ฝรั่งให้คนชาติอื่นมากินกอาจจะยิ่งแบบเราว่าอร่อยมากเลยแบบนี้นะแต่เขาว่าไม่อร่อยเลยนะก็มีสมมุตินะ่ะมันไม่เหมือนกันนะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเราเองนะบางช่วงก็ไม่เหมือนกันให้เรากินอาหารที่เราชอบนะ กินทุกวันทุกวันทุกวันนะจนมันเบื่อชอบขนานไหนกินสิบวันเดือนหนึง่งลองดูยสิเป็นยังไงจนกินจนไม่อยากกินเนาะนะแม้แต่เราอยู่กับคนที่เรารักคนที่เราชอบนะเราก็คิดว่าอยู่ได้นะอยู่ไปสักพักก็ไม่อยากอยู่อะไรนะอยากปีกออกมาบ้างนะ อันก็ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะอืมนี่คือจิตน่ะจิตที่มันมันไม่เที่ยงเนาะจิตที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันชอบมันก็มีตามเหตุตามปัจจัยอะไรที่มันไม่ชอบมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอ่าอันนี้คือสมมุติเนาะเนาะแต่เรารู้เนาะโดยความที่มันเป็นปรมัติตย ความจริงอ่คือเวลาเรารู้สึกตัวนะให้มันเหมือนรู้เป็นเหมือนแค่ผัสสะที่มันกระทบนะเวลาผัสสะมันเกิดขึ้นมันมันเพียงแค่การรู้การกระทบเช่นตากระทบกับรูปนี่ความรู้คือตัวเนี้ยเกิดวิญญาณรู้นะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบกับรสชาติ กายกระทบกับผัสสะต่างๆนะเช่นยืนเดินนั่งนอนคือการกระทบกระทบกับอากาศบ้างกระทบกับพื้นบ้างนะกระทบกับรูจมูกบ้างเช่นนมหายใจนะอืมหรือใจมันกระทบกับอารมณ์ต่างๆบ้างมันคือการกระทบแค่รู้แค่ตำนา น, นนะเหนือไปกว่า น, นั้นเป็นสมมุติอ่ ะ, อะเกิดเป็น เรามีบัญญัติสมมุติต่างๆเรามีความชอบความไม่ชอบต่างๆเนี่ยเป็นสมมุติซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องไม่มีสมมุตินะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ให้รู้เท่าทันมันอีกทีหนึ่งบางทีมันกระทบเฉยๆนะนะ่ะแค่กระทบดูแล้วเกิดความสมมุติอย่างไรเกิดความชอบไม่ชอบอย่างไร ให้เรามีสติรู้ทันมันอีกทีหนึง่งนี่ก็เป็นการมีสติอีกรู้รู้เพิ่มอีกทีหนึ่งนะื่อยไม่ใช่แปลว่าเราไปหลงมันนะนเกิดความชอบอก็รู้เกิดความไม่ชอบก็รู้นะอันนี้คือมันก็จะเกิดสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ น, นั้นในการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่แปลว่ามันจะต้อง มันจะต้องไม่ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ใช่พงก็รู้นะมันก็เป็นการมีสติอีกแบบหนึ่งนั้นไม่ใช่แปลว่าเราต้องพยายามเฉยๆนะต้องรู้แล้วไม่คิดต้องรู้แล้วนิ่งๆนะต้องรู้แล้วไม่เกิดความชอบไม่ชอบไม่ใช่นะแต่มีขึ้นมาเราก็รู้ทันมันอีกทีนึงรู้มันไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ไม่เป็นไรนะจิตใจก็เพียงแค่ ทำหน้าที่รู้ตัวไปเรื่อยๆรู้เป็นเวลาเรารู้สึกการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่แรกๆให้รู้สิ่งที่มันภัสสะที่มันกระทบก่อนตาหูจมูกริ้นกายใจเนี่ยรู้ทันการกระทบหลังจากกระทบแล้วมันกระเทือนอย่างไรก็ค่อยรู้มันอีกทีหนึ่งมันไม่กระเทือนก็ไม่ต้องไปหาดูอะไรมันกระเทือนมันมันไหวแบบไหนเราก็รู้มันอีกทีหนึ่งนั่คือ ผัสสะนะการกระทบทางอายตนะทั้งหกก็ดีหรือโดยเฉพาะการกระเทือนของใจก็ดีนะเนะ่เป็นการรู้ทันนะจะเรียกว่าเหมือนกายเคลื่อนไหวนะก็รู้นะใจไหวไปก็รูม้มีแต่เป็นอาการที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นแหละ นีฝึกแบบเนี้ยบ่อยๆนะฮะฝึกจนทั้งจิตเขาเกิดความรู้สึกตัวเป็นอัตโนมัติคือไม่ต้องตั้งใจที่จะต้องไปกําหนดรู้นะแต่สติเขารู้ของเขาเองนะนะเกิดการรู้ตัวเมื่อเวลาเราขยับเกิดความรู้สึกตัวเวลาจิตมันขยื่นนะมันก็เกิดเป็นอัตโนมัติของเขาเองนะ เก็เห็นไปแล้วในความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันจะเห็นความจริงของธรรมชาติของรูปนามนะดูลงไปเลยมันไม่เที่ยงก็เห็นมันเป็นทุกข์ก็เห็นมันบังคับไม่ได้ก็เห็นเราก็จะเห็นเลยว่าที่จริงความทุกข์นะความความเป็นทุกข์นะมันเกิดเพราะเราไม่ยอมรับนี่แหละ เราอยากให้มันเที่ยงเราอยากบังคับเราอยากให้มันไม่เป็นทุกข์ก็เลยนะ่ะจะเห็นว่าอืไอตัวเนี้ยคือทุกข์ในอริยสัจนะแต่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนะี้ยมันเป็นลักษณะของรูปนามของไตรลักษณ์แต่ความที่เราเข้าไปยึดนะเข้าไปปรุงแต่งอยากให้มันเป็นอย่างนั้น ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อนะนี่คือทุกข์ของอดียสัตว์นะคือมีตัณหาเข้าไปเป็นตัวบงการในการปรุงแต่งเนี่ยมันะนะมาาก็จะเห็นโอ้นี่ทุกขนะ์ทุกข์ไม่ใช่ไอรูปนามมันเป็นทุกข์มันใช่แต่ความอยากนี่แหละเป็นเหตุของความทุกขนะ์ตอนนี้นเองนะ เริมนามันเป็นทุกข์ก็ใช่แล้วนะแต่ความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากบังคับอยากจัดการอยากอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทุกข์ที่เกิดเพราะความหลงนะหลงก็ทําไงหลงก็แค่รู้ใหม่ก <c oughs> ็ <c oughs> แค่นั่นนะหลงก็ไม่เป็นไรหลงก็รู้สึกตัวใหม่นะก็หายหลงนะทุกข์เพราะความหลง พอรู้สึกตัวนะมันก็หายทุกนะมันก็เลิกทุกเพราะความหลงมันก็ง่ายๆแค่นี้นะ อ, อ่ามันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรมากบางทีแต่พอพูดมาอาจจะละเอียดหน่อยแต่เวลาปฏิบัติจริงไม่ต้องละเอียดมากขนาดน้มันเหมือนก็เหมือนง่ายๆ อ, อ่ธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะ อ, อืาแต่มันเป็นเพียงแค่เอาทีละขณะ เราอย่าไปอย่าไปแบบอย่าไปคิดมากในเชิงว่าโอ้เดี๋ยววันอีกชั่วโมงหนึ่งอีกสามชั่วโมงจะเป็นแบบไหนถ้าเราดูแบบนี้อะนะหรือถ้าเราต้องทําแบบนี้ตลอดไปเป็นแบบไหนนะบางทียิ่งคิดนะยิ่งยุ่งนะยิ่งคิดยิ่งหนักน ะ, ะยิ่งทําไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะ มันจะไม่หนักนะอ่าทับไปเรื่อยๆทำเบ้เรื่อยนะอันนี้คือจิตแบบนี้ยพอจิตมันที่จริงจิตที่มันอยู่กับปัจจุบันมันก็คือการเหมือนไม่มันก็เป็นการปล่อยวางของมันนะปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตอยู่แค่ปัจจุบันทีละขณะนะออันนี้คือมันก็จะเป็นเรียกว่าสัมผัสกับสภาวะปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมนะธรรม ทำในที่นี้คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะสภาวะที่มันเกิดขึ้นในตอนนีนะ้เรามีสติรู้ตัวที่ตอนนี้นะมันก็ไม่ปรุงแต่งแล้วในตอนนี้นะจิตก็ดับทุกข์ในตอนนี้นะแค่นี้เองนะนิพพานก็ปรากฏในตอนนี้นะอืมที่จริงนิพพานปรากฏอยู่แล้วนะแต่เหมือนเรา หลับตาเราก็มองไม่เห็นนะพอเราดืมตาเราก็เห็นตอนที่รู้ตัวเราก็สัมผัสนะตอนดื่มตัวก็ไม่ได้สัมผัสก็แค่นั้นเองธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องลึกรับนะหลวงพ่องเขียนบอกเป็นเรื่องนึกซึง้งแต่ดึกซึ้งในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องไปไปจาต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรลนะเอียดออนแบบนั้นนะนะึกซึ้งในเชิงว่ามัน มันนึก ท, ที่จิตใจนะมันนึกเข้าไปในสตภาวะอาการที่มันเป็นความรู้สึกตัวที่มันอยู่ที่จิตใจนะเป็นความรู้สึกตัวมันดึกซึ้งอยู่ข้างในตัวนี้เองไม่ใช่เป็นความดึกรับหรือว่าเป็นเรื่องของพิธีตีตออะไรเลยเป็นเรื่องจิตใจที่ที่มีความดึกซึ้งในการในการเห็นในการรู้เท่าทันนะ อาการต่างๆนะไม่ว่าจะหลงก็ดีรู้ ก, ก็ดีนะนี่คืออาการที่ที่เราก็ปฏิบัติเนาะมันก็ให้จริงมันอย่างที่พูดว่าตอนก่อนเพลนะ่ะปับปนะทีลขณะทีละขณะขปวบๆับ๊นะอือทำไปบ่อยรู้ไปบ่อยแค่นั้นเองนะสร้างความเคยชินของจิตนะเอ่ออย่าไปคิดว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรเมื่อไหร่จะ เมื่อไหรจะรู้เมื่อไรจะจบเมื่อไหรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บังคับไม่ได้นะบังคับไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือทําเหตุไปเรื่อยๆนะทําเหตุไปเรื่อยๆนะจะมีอะไรถ้าลองปฏิบัติไปก่อนเนาะถ้ามันสงสัยก็ให้รู้ตัวนะรู้ตัวไปนะ่หรือว่าถ้าตอนท้ายเดี๋ยจะมาถามอะไรก็ก็ทําได้เนาะ ถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติไงนะแต่ไม่ใช่ถามเพื่ออยากรู้นั่นนู่นนี่นะถามแบบนั้นไม่รู้หรอกนะแต่ปฏิบัติแล้วเจอสภาวะเป็นแบบนี้นะไปต่อไม่เป็นนะติดขัดอย่างไรอะไรเนะนี่ยมันเมนมันเราทำอะไรเนาะทำไปแล้วมันเจอปัญหาเจออุปสรรคเออแล้วเรา เราเห็นละอันนี้คือเ ร, เราอยากจะปรับปรุงแก้ไขยังไรนะเราก็จะทำได้แต่ถ้าไปถามลวงหน้าไปก่อนนะมันจะมันจะเยอะอ ม, มันจะเยอะแต่เมื่อเจอแล้วเราเราแก้ไขนะเราปรับเปลี่ยนมันได้เนะี่ยอันนี้คือของจริงเนาะล้กก็ดี๋ให้พวกเราด้ ตั้งใจเนาะอาจจะแยกย้ายปฏิบัติข้างบนก็ได้นะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างเห็น ความเป็นไปของกายเห็นความเป็นไปของใจไหม <c oughs> จริงๆริงก็เราก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเนาะก็ก็เป็นเรื่องที่เราอาศัยเาเรียกว่าการทำงานเนาะ <c oughs> การทํางานกับใจเนาะการทํางานด้วยใจอย่างนะี้เนาะตรงนั้นก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเกินการทํำมะเนาะการทําการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเองก็เหมือนกับเหมือนก็สิ่งที่พุทธเจ้าสอนก็สอนให้เราหัดทํางานด้วยใจเนา ะ, น อ, ะอย่างนั้นอนะไรเงี้ยเจออะไรกันบ้าง <laughs> เอาใจไปทำงานใจไปเจออะไรบ้าง <laughs> เจอความเป็นไปของกายไหมเจอไหมเจอเป็นยังไงบ้าง <laughs> มีอะไรที่ใจไปเจอมึง <laughs> เจอความเป็นไปของใจไหมเจออะไรบ้าง <laughs> เจออะไรกันบ้างเล่าสู่กุนฟัง <laughs> มีไหมมีเล่าสู่กันฟังมีไหมคนใหม่ล่ะมีอะไรไหมทำได้ไหมพอทำได้ทำอะไรได้บ้างเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยหนึ่ง <laughs> พยายามที่จะกลับมาทำยังไงทมความรู้สึกของ <laughs> ได้ไหมทำได้ไหมไ แ, ลแล้วเราอาศัยความเคลื่อนไหวบ้างไหม <laughs> <laughs> ใส่ความเกินไหวตรงไหนบ้างเอ่อหมถึงว่ารู้หรือนึกในใจต้องนึกในใจไหมไม่ต้องนึกนะแล้วพอรู้แล้วใจมันจะไปยุ่งกับความคิดอีกไหม เหพอใจไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีนะก็ดีก็เราเรามีร่างกายเนาะเรามีจิตใจเนาะสออย่างอย่างนี้เนาะก็อาศัยร่างกายกับจิตใจทำประโยชน์เนาะเ็นแบอย่างนั้น บางทีเราอาจจะมองว่าเราอาศัยร่างกายทํางานอย่างนี้เนาะใช่ไหมถ้าเราก็ได้เงินเดือนตอนนู้นก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วทำาน้าในกันได้เงินเดือนแล้วความทุกข์ใจเราก็ไม่ไม่ได้ช่วยนะ <laughs> ความทุกข์ใจมาจากไหนอเงี้ยความทุกข์ใจมาจากความคิดไอ้นู้นไอ้นี่ยุ่งยุ่งยากยากอย่างเงี้ ย, ยนั่นคือตรงนี้พอเวลาที่เหมือนกับว่าเรามาหัด หัดปฏิบัติทมกันเราก็มาหัดหัดเหมือนกับว่าหัดใจเราใหม่เนาะหัดใจเราใหม่เวลาที่ใจเราแบบว่าไปยุ่งกับความคิดมากๆอย่างเงี้ยให้เราลองสังเกตดูยุ่งกับความคิดมากๆมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะบางทีเรื่องราวรอบตัวเนี่ยบางที นอนนแล้วล ะ, ละอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่มีเรื่องราวเลยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ทำไมความทุกข์มันเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังนอนอย่างเงี้มันอย่างนั้นคือเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้แต่เราก็คิดเป็นสารพัดเงี้ยตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเราค่อยๆสังเกตแบบนี้เนาะบางทีเราก็จะมีก็เรียกว่ามีมีความรู้ มีความรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้สังเกตไปมันก็จะมีข้อสรุป ม, มีข้อสรุปได้คําตอบอย่างเงี้ยเนาะการได้คําตอบเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้เหมือนกับว่าได้เหมือนกับเข้าใจว่าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นคําตอบที่ผิดเนี้ยใช่ไหมอนยะ่างเงี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ผมพอบามันมันเป็นสิ่งที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับกายนะมันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกอาจจะมีความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันความนุ่นความนี่อะไรต่างๆนานาหลายๆอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดเกิดขึ้นไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะแล้วก็เกิดขึ้นกับคนอื่นรอบๆข้างอย่างนี้แต่ว่าตรงนั้น่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเกิดขึ้น นั่นเราไม่ทุกใจได้ไหมยอย่างเงี้ยหรือว่าเราทุกใจเพราะว่ า, าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเร า, เ, ราเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่าง น, น, างนี้คือถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนั้นเนาะจะมาเหมือ น, นก็เราคิดผิดไปจากก็เรียกว่าผิดไปจากธรรมชาติของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็ปรารถนาของเรามันก็ไม่เป็นจริงเราก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยตัวนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ เรียกว่ามันเกิดขึ้นมาเนาะมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราค่อยๆค่อยๆกลับมาดูความเป็นไปของกายกลับมาดูความเป็นไปของใจผ่านความเคลื่อนไหวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนี่คือสิ่งที่เหมือนกับค่อยๆเนาะค่อยๆได้ข้อสรุปเนี่ยอือคือในในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็ มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือความคิดเนาะที่เรามักจะเผลอไปคิดเนาะเรื่องที่ว่า ก, การปฏิบัติธรรมจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงเียจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับค น, นะคนจะเผลอไปกับตรงนี้หรือเรียกว่าหลงไปคิดกับตรงนี้เยอะเยอะเนาะนั้น คุณสุพรได้ไหมใช้ได้ไหม <laughs> ใช้ยังไง <laughs> ใช้ได้ไหมการปฏิบัติทำกันชีวิตประจำวันใช้ได้ไหม <laughs> ใช้ยังไง <laughs> บอกหน่อยหนึ่ง <laughs> เล่าสู่กันฟัง เกิดอะไรขึ้นนะที่เช่นออก็ดีเนาะอืมอ๋อดีมากๆนะเพราะบ้านนี้คือ กันที่เราคอยดูเนาะความเป็นไปของใจเนาะใช่ไหมอย่างนั้นพอดูความเป็นไปของใจเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจเนาะอย่างนั้นเลยฮะเมื่อก่อนเราพอพอใจเราก็เข้าไปจมไปแช่กับความพอใจทํานองเดกันพอไม่พอใจแล้วก็เขไปจมไปแช่กับความไม่พอใจเหมือนกันเลยนะอย่างที่พระจัน้นบอกว่าพ่อเราเหมือนกับว่าเราไม่ไม่รู้จักรู้เฉยเฉยใช่ไหมอย่างนั้นถ้าเรารู้เฉยเฉยก็เราก็รู้แล้วเราก็ปล่อย มันจะพอใจก็ปล่อยมันจะไม่พอใจก็ปล่อยอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มันก็เราก็นั่งยกมือสร้างจังหวะเราก็รู้แค่นี้เหมือนกันเนาะนั่นนั่นคือเวลาที่เราเอาไปใช้กับการทางานก็รู้แค่นี้ก็ใช้ได้เนาะก็นึกถึงคุณจุ่มเนาะนึกถึงคุณจุ่มที่ที่เป็นสระกากรก็ขาบอกว่าเออ พอเวลาที่เมื่อก่อนะก็เวลาที่เกี่ยวข้องกับคนมากๆอย่างเงี้ยเราก็จะไปเา้าเรียกว่าไปหุดหงิดไปหุดหงิดเอกับคนรอบๆข้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เรื่องคนรอบข้างก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่ก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกลับมาเห็นความเป็นไปของใจบอกว่าเออก็ทํางานได้ลับรื่น <laughs> ทํางานได้รับเล่นขึ้น คุณอลพินเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างว่าเอาไปใช้กระชิบนบรคจำมบันได้เยอะไหมอันที่เช่น ก็ดีนะหลวงพ่อเขียนท่านก็พูดพูดให้ฟังหมายถึงว่าท่านก็พูดอยู่ใช้คําพูดคํานี้ยบ่ยก็คืออย่าเอาเหตุอย่าเอาผลนะใช่ไหมอย่างเนี้นนะหลวงพ่อเขียนท่านก็พูดจะเอาเหตุเอาผลมามายุ่งกับตอนที่เราปฏิบัติธรรมนี่นะจริงๆการเอาเหตุเอาผลมายุ่งกับการปฏิบัติธรรมมันก็หมายถึงว่าการที่เรากําลังเนาะ อยู่กับการที่เราสังเกตความเป็นไปของกายของใจหลวงพ่อก็มีความรู้สึกว่าเออพอเวลาที่เราเอาเหตุเอาผลเนี่ยเราก็ไปจมอยู่กับความคิดเราจะไปจมอยู่กับความคิดเลยบ้างเหตุผลเนี่ยมันมันจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเดียวแล้วมันจะมีไ อ, ไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดมันจะก็ขอข้อ ง, งอเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยพอเวลาเราสังเกตจริงๆโอ้เวลาอย่างนีนะ้เราใช้เวลาไปกับความคิดเนี่ยเยอะมากม แต่พออย่างที่บอกว่าพอเราไม่เอาเหตุเอาผลมันง่ายนะก็บางมันก็ง่ายเลยอย่างเงี้ยหรวอก็รู้สึกอีกอันหนึ่งที่เรางพ่อเขียนท่านเคยบอกอย่าเอาผิดเอาถูกกันเหมือนกันเพรอเอาผิดเอาถูกมันก็คล้ายเหตุผลนี่แหละนะเธอผิดฉันถูกฉันถูกเธอผิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันก็วุ่นวายวุ่นวายมากจิตใจเราก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าใจเราจะไม่สงบเลยกับการใช้เหตุใช้ผลหรือว่าใช้ ใช้มาตรฐานของความผิดความถูกเฉพาะตัวของเราอะไรเงี้ยยิ่งบางทีพอเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ต่างวัยมากๆอย่างเงี้ยเราจะพบเลยว่าเหตุผลของเรากับเหตุผลของเขาคนละอันกันเลยหรือความผิดความถูกของเรากับความผิดความถูกของเขาก็คนละอันกันเลยเราะนั้นนั่นคือจะถืออะไร <laughs> จะถือถูกตรงไหนจะถือเหตุผลตรงไหนอะไรเงี้ยพอเวลาที่เราสังเกตตามที่ครูบาอาจารย์บอกเออเราก็ มันก็ทําให้เราได้เห็นเนาะว่าอืมจริงๆแล้วพอเวลาที่เราสังเกตเห็นพอเราเข้าไปพลัดอยู่กับความผิดความถูกหรือเหตุผลเนี้ยตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้ายที่สุดก็คือใจเราเป็นทุกข์ใจเราเป็นทุกข์พอเราเห็นใจเราเป็นทุกข์เราก็เออเนาะเราก็วางเห็นใจเราเป็นทุกข์เราก็วางอย่างเงี้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดีมากมาก ก็เวลาที่เราไปไปอย่างไปอินเดียอย่างเงี้ยเนาะไปไปเจอสถานที่ต่างๆที่พระเจ้าที่พระเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพานในต่างๆตอนนั้นก็ ก, ก, ก็มีความรู้สึกอยู่นะว่าเออเวลาที่เราตามรอยเนี่ยเราจะตามรอยตามรอยที่พระเจ้าดําเนินไปเนี่ยเราก็ เราก็ตามได้สองอย่างนะอันนึงก็คือตามสถานที่อีกอันนึงก็เลยเราก็คือตามวิธีการเนาะวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านได้เหมือนกับว่าท่านได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆนนาผ่า น, ผ, านผ่านก็เรียกว่าผ่านฉากชีวิตของท่านเนาะใช่อย่างเงี้ยอจารย์สุนทรว่าคราวนี้ไปเนาะก็จะไปเจอที่เนปาลเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเหมือนกับ มีสารอยู่อันหนึ่งที่ที่บอกบอกว่าตรงเนี้ยพุทธเจ้าตอนสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยยิงธนูมายิงธนูมาตกลงตอนที่เหมือนกับว่าแข่งขันยิงธนูกันนะไกลออกจากวังมาตั้งเจ็ดกิโลอย่างเงี้ยนะนั่น น, น, นก็คือจริงๆแล้วท่านเองท่านก็มีความสามารถในเรื่องศาสต์ต่างๆเยอะนะจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเวลาที่เหมือนกับเวลาที่พพุทธเจ้า ตรัสรู้จริงๆนั่นคือท่านเข้าใจเรื่องใจมากกว่าการใช้ร่างกายใช่ไม้มอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ดูตรงนั้นแล้วก็เป็นความ ร, รู้สึกว่าเออจรงิงๆสิ่งที่พุทธเจ้าพบก็พระุทธเจ้าก็พบความแก่เนาะใช่ไหมอย่างนี้พพุทธเจ้าก็พบความเจ็บความป่วยความตายแล้วก็พบแต่ว่าสิ่งที่พบตรงนั้นพระุทธเจ้าก็ไม่ได้ทุกข์ไปกับตรงนั้นนะไรเยทำไมถึงจะไม่ทุกข์แบบนั้นอะไรเงี้ยนะ เราเองเราพบเรื่องราวต่างๆนานาเลยจะเป็นความเจ็บความป่วยที่เกิดขึ้นมีดบาดบ้างหกล้มบ้างขาพลิกขาแพลงบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้ซ้ําอีกพวกนี้เนี่ยเราทุกข์กับเขาแค่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะพะพุทธเจ้าก็เจอนะไม่ใช่ไม่เจอใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่พระุทธเจ้าทํำยังไงถึงจะไม่ไม่ไม่ถึงได้ไม่ทุกข์อะไรเงี้ยแล้วพอเวลาที่เรามองภาพแบบเนี้ยเราก็พบว่า เส้นทางที่พระพุทธเจ้าดําเนินไปก็คือเส้นทางที่พระเจ้า uh บอกเป็นธรรมะเอาไว้ให้เราปฏิบตตัติตามกันตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจริงๆมันก็เป็นข้อสรุปเนาะเป็นข้อสรุปเหมือนกันว่าธรรมะที่พระเจ้าให้ไหว้เนี่ยเก่งแค่ว่าเราเอามาใช้ปฏิบตัติกันเอามาใช้ปฏิบัติกันทําในใจนี่แหละจักทําในใจอยู่ปฏิบตัติตามอยู่ตรงนี้เองมันก็จะทําให้เราได้เหมือนกับว่าเราก็ได้ดําเนินตามรอยเนาะ ดำเนินตามรอยพระเจ้าตรงนั้นนิมนต์กราบนิมนต์บุญประจันโทรู้เยอะแล้วใช่ไหม <c oughs> เหนื่อยแต่ทำให้มันเยอะๆเนาะวันทีก็สิ่งที่เรารู้มันเหมือนเหมือนอาหารโยมกินเข้าไปกินเข้าไปนะการกินมันก็มันก็ยังไม่เสร็จเนาะมันต้องให้ร่างกายมันย่อยแต่ <c oughs> กินแล้วไม่ย่อยเนี่ยก็ก็อึดอัดเนาะก็เป็นโทษเนาะนนการฟังทรรมเยอะๆการศึกษาธรรมะนะจากการอ่านา ก, การฟังสิ่งสาคัญคือต้องย่อยเพราะว่ามันจะกลายเปิดติดว่าเราดูแล้วเราดูแล้วบางทีสมัยเนี้คนก็เรียนธรรมะเยอะนะแต่ทำไม เวลาเจอความทุกข์เจอปัญหาก็ยังก็ยังเป็นทุกข์อยู่เนา ะ, ะนะเพราะว่ามันยังไม่สู่กันเข้าไปย่อยสู่จิตสู่ใจของเราจริงๆที่จริงเวลาเจอความทุกขนะ์เจอปัญหาที่จริงที่จริงมันเป็นทุกข์ที่จริงเพราะเราไม่ยอมรับนะใช่ไห ม, มไม่ยอมรับเออมันเป็นความทุกข์อนะ่ ถ้ายอมรับว่ามันเป็นความทุกข์เนี่ยมันจบเลยนะจริงเพราะเราไม่ยอมรับเราไม่อยากเราไม่อยากเป็นเนาะเช่นเวลาไม่สบายอย่างเนี้ยอืมมันที่มเป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์เพราะเพราะมันอยากจะหายจากความไม่สบายไอ้ความไม่สบายถ้ามองเออมันเป็นทุกข์ของกายมันก็จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ละ หรือมีปัญหามีอะไรตา่างๆยอมรับว่าเนี่ยแหละชีวิตมันเป็นทุกข์แบบนี้เนาะก็มองไปนะอาจจะมองเหมือนมองเหมือนมองโลกในแง่ลบนะแต่จริงมัเป็นการมองเห็นความทุกข์เพื่อเราจะได้เบื่อหน่ายจากโลกนะถ้าเรายัางที่จริงพรเจ้าสอนให้เรามองรูปนามนะก็คือกายใจนี้นะรวมทั้ง สิ่งต่งตาที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าเป็นทุกข์มันจะทำให้เราเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดต่างๆออกไปได้ตอนไปอินเดียก็ได้แอบฟังพระที่ท่านท่านบรรยายทำเนะเาะพวกเราไปกันเองไม่ไม่ได้แบบมีพระวิทยากรแตก็แอบได้ยินฟังบางรูปท่านบรรยาย จำได้ตอนหนึ่งนะท่านท่านบอกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนท่านมองโลกนะโลกหมายถึงว่ากายใจของเราก็ได้หรือว่าสิ่งที่มันอยู่บนโลกนี้ก็ได้หรือว่าที่จริงโลกทั้งสามนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่ า, านรกอะไรก็ได้แต่นะโลกมัน ตีความได้หลายความหมายแต่จริงท่านมีตอนหนึ่งท่านบอกว่าพระเจ้าท่านมองโลกเหมือนกับเสจที่มันอยู่ที่ปลายลินนะคือเสจพอมันสมมติว่าเรามีเสตนะเราเราเขาเรียกว่าขาอนมันออกมาอยู่ที่ปลายลินนะคนที่รู้ว่ามันคือเสจนะ็จะอยากกืนมันเข้าไปอีกไหม มันมีแต่อยากจะคายทิ้งเนาะคนคนที่เห็นโลกอย่างแจมแจ้วว่ามันเป็นทุกข์มันเหมือนรู้ว่ามันคือเหมือนเศษที่มันอยู่ที่ปลายดนะินมันมีแต่เออจะทิ้งมันเนาะจะทิ้งคือทิ้งรูปทิ้งนามทิ้งกายทิ้งใจทิ้งความห่วงอะไรในโลกนี้ต่างๆเนะี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่า โลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะน่าเอานะที่จะน่าเป็นอันนี้คือถ้าการปฏิบัติของเรามันเป็นไปเพื่อตรงนั้นเนาะอมันก็คือทางที่ที่ทําให้เราได้เบื่อหน่ายจากโลกนะแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องหนีโลกโดยการไม่เกี่ยวข้องกับคนนะแต่มันเห็นมันเห็นชีวิตแบบนี้แหละน ะ, นะแม้ช่วงชีวิตที่มีความสุขมาถึงว่าโดยทางโลกอนะันเนาะ ไม่ได้ลำบากไม่ได้เจออะไรัรู้มันก็ยังมองว่าไอความสุขที่มันดำลงอยู่ตอนเนี้ยมันมันเป็นของที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นของที่ความสุขเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเอื้อเอาเฉยแต่จริงแล้วมันมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เราจะไปยึดยึดมั่นถือมั่นได้ดังการภาวนาจริงจริงมันก็ เกิมันมองเห็นความทุกข์เนาะนะแต่ไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปเป็นทุกข์นะแต่มันเห็นความทุกข์เยอะขึ้ น, นเรื่อยๆเนาะบางทีมันก็อาจจะทําให้อืมอาจจะเหมือนว่ามองโลกในแง่ลบแต่จริงจะได้ว่ามองตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างไรจิตใจเองนะมันก็เป็นทุกข์อย่างไรในที่นี้คือมันทุกข์คือ มันไม่สามารถที่จะคงอยู่ในอาการเดิมได้นะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะห้ามได้นะโลภโกรธลงนะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้ก็ไม่ได้นะคือมันมันก็จะเห็นพวกนั้นะแต่แต่ก็แปลกนะยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นนะ แต่มันก็จะมันก็จะสัมผัสได้กับสโาฟาที่มันไม่ทุกข์มากขึ้นเหมือนกันนะคือมันมีความทุกข์ดำรงอยู่แต่มันก็มีความไม่ทุกข์ก็ดำรงอยู่เหมือนที่จริงเหมือนครูบาอาจารย์เปรียบเทียบท่านฉลาดมากนะเหมือนหน้ามือกับหลักมือมันเหมือนเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันจริงๆนะแต่มันเหมือนว่าแต่แปลว่าเราเราไปสัมผัสด้านหนเนาะสัมผัสด้านที่มาเป็นทุกข์นะ มันก็จมในความทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่แต่สภาวะที่เห็นน่ะมันทาให้ไม่เป็นทุกข์นะอันนี้คือยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งยิ่งไม่ทุกข์นะไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องพยายามหนีทุกข์นะนั้นการปฏิบัติจริงไม่ใช่การหนีโลกนะหรือหนีปัญหาหนีความทุกข์แต่คือการที่เรามาเรียนรู้จากความทุกข์จริงๆนะแหละว่า ทุกโดยธรรมชาติทุกโดยสังขารนะโดยเฉพาะทุกของรูปนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเนาะ <c oughs> นก็ดูแลรักษาไปเท่าที่มันได้เนาะร่างกายนะแต่บางคนก็ห่วงมากนะบางทีแม้แต่นักปฏิบัติมานานนะแต่เวลาร่างกายไม่สบายเวลาแก่บางทีสังเกตดูดีนะจิตบางทีมันดิ้นดน <c oughs> ดิ้นดนแบบ จะรักษาที่นั่นที่นี่อะไรมากมายซึ่งก็ไม่ใช่แปลว่าเราเจ ด, ด้นไม่ได้แต่มาถึงว่าเราจะไปรักษาไม่ได้ก็ไม่ใช่นะแต่ให้สังเกตจิตใจของเรามันมันอะไรมันกระบนกวายหรือเปล่าเนาะเวลาที่มันไปรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอะไรนะอาการมันไม่หายอะไรนะให้สังเกตดูว่า การที่เรารักษาภายนอกเนี่ยเราได้รักษาจิตข้างในของเราได้หรือเปล่าคือข้างนอกเราก็รักษาไปนตามเหตุตามปัจจัยแต่ข้างในใจของเรามันดินดนด้นโดนดิ้นโดนที่แบบอืมมันต้องหายให้ได้ต้องดีให้ได้ต้องอันนี้ได้ขนาดไหนให้สังเกต ด, ดีๆนะยังมาสังเกตอย่างยังหลวงพ่อเองก็ดีนะหลวงพ่อคำเขียน อเห็นนะอย่างอาจารย์กำพลก็ดี่ะคือแต่ก็อาจจะอย่างแต่ก็อาจจะคนละฐานนะเนาะด้วยความเป็นครูบาอาจารย์ก็มีคนที่มาซัพพอร์ตมาออฟเฟอร์ในเรื่องการโูแลรักษาเยอะแต่แต่ก็มันไม่ใช่ว่าจะสบายทุกอย่างนะบางทีเยอะมากก็ก็เป็นทุกอีแบบนะแต่สิ่งที่เห็นจากการสังเกตคือว่าบางทีคนที่มา ดูแลช่วยรักษาหรือให้ย า, ยยาต่างๆบางทีไม่ใช่แปลว่ามันจะถูกกับโลกเสมอไปะบางทีรักษาไปเจ็บตัวมากกว่าเดิมทุกมากกว่าเดิมนะแต่ครูอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกข์อ่ะไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเพราะการดูแลที่มันทำให้ร่างกายธาตุขันเป็นทุกข์มากกว่าเดิมทั้งข้อเข้าใจในความหวังดีเจตนาดีของเขาให้เขา ทำไปให้เขารักษาไปไม่ดีขึ้นก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้แบบบ่นว่าอืมมาทําให้เราเป็นทุกข์มากกว่าเดิมนั่นนี่ก็ก็ยอมรับได้ว่าเออมันมันไม่ดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นก็ยอมรับได้นะไม่ได้ดิ้นรนหลนงพ่อคาเขียนจะพูดว่าเหมือนเวลาป่วยมานะหรือให้หมอรักษาก็คือไม่ได้ไม่ได้อยากจะตาย แล้วก็ไม่ได้กลัวตายคือคือไม่ไม่ใช่แปลว่ามีโรคก็ก็อยากจะตายนะหรือว่าไม่ไม่ใช่หรือว่ากลัวความตายนะมันเหมือนกันการไม่ติดทั้งสองฝั่งอนะ่ะมันบางทีมันเป็นเรื่องที่เราเอีกต้องเข้าใจให้มันดีนะมายถึงว่าบางทีการที่เราปฏิเสธอีก ด, ด้านหนึ่งบางทีมันกลายเป็นการไปติดใน ด, ด้านหนึ่งนะในบางที เราเราไม่เอาอันนี้อแต่บางทีมันคือการเป็นติดการเอาอีกแบบหนึ่งเลยนะ <c oughs> ชีวิตเราบางทีมันสุดโต่ ง, ง่ายมากบางทีพอเราเช่นบางทีเราไม่เอาทางโลกละเราสละวิวัด์ปฏิบททัติธรรมแต่บางทีกลายเป็นการติดการไม่เอาอะไรเลย <c oughs> ปฏิเสธทุกอย่างเลยก็มีนะแต่การที่ มีสติการไม่ยึดติดจริงๆคือคือมันทำหน้าที่แต่จิตมันไม่ติดอะมันมันมันต่างกันนะไม่ใช่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยปฏิเสธหนีทุกอย่างแต่เพียงว่าถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันก็ทำแต่เพียงว่าจิตมันไม่ไปยึดติดถือมั่นอั้นเหมือนถ้ายกตัวอย่างเหมือนการป่วยอะหายก็ หายก็ได้ไม่หายก็ได้คือแบบนี้นะคือมันเหมือนจิตมันไม่ใช่ว่าแปลว่าต้องหายให้ได้หรือว่าต้องไม่หายนะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เนาะอันนคือมันมันจะเป็นแบบนี้รวมรวมทั้งเรื่องทั้งโลกต่างๆก็เหมือนกันนะเวลาเราทำบางอย่างสำเร็จก็ได้นะไม่สำเร็จก็ได้มาถึงว่าจิตเรายอมรับได้ว่า เมื่อเราทําเหตุตามทําปัจจัยเท่าที่ทําได้แล้วหรือว่ามีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็เออมันจะเป็นแบบไหนก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นแบบเนี้ยอืมนั้นสิ่งที่สําคัญจริงนะโดยเฉพาะเรื่องการการเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรเนาะบางทีมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปติดแค่ภาษานะมันจะไปไปหลงอีกด้านหนึ่งนะ แต่ก่อนเวลาถ้าเราใช้ความคิดอ่ะอย่างเช่นเวลาหลวงพ่อพูดอที่พระอาจารย์ตุ้มก็พูดไปแล้วเนื่องแบบการไม่เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกเอาผิดนะบางทีเราก็อืมเราก็เคยเอาเหตุเอาผลเนาะแล้วพอถ้าเราไม่เอาเหตุเอาผลเราก็อาจจะไปติดกันไม่เอาเหตุเอาผลกับทุกเรื่องอีกก็ไม่ได้นะบางทีมันก็คาว่าไม่เอาคือคือว่า ไม่ไปเป็นทุกข์นะไมไ่ไปยึดติดตรงนั้นอ่ามันคือไม่ใช่แปลว่าเอาหรือไม่เอานะแต่เป็นการไม่ติดนะไม่ติดทั้งสองฝั่งนะดีก็ตามไม่ดีก็ตามนะก็ไม่ได้ติดทั้งสองฝั่งมันเลยเป็นการอยู่อยู่เหนือโรคนะคาว่าอยู่เหนือโรคนี่ไม่ใช่ว่าเราต้องหนีโรคแต่มันเหมือนพ้นจากสภาวะที่มันจะทำให้เราเป็น สุดท้ายหลวงพ่อก็เลยพูดเนะี่ยการไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันคือธรรมะขั้นสูงเพราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่ใช่แปลว่าเราจะพยายามจะไม่เป็นนะแต่จิตมันไม่เป็นนะจิตมันไม่เป็นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการจิตที่มันเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งนะ อย่างที่พระเจ้าท่านรู้แล้วว่าสเสดย์นะมันเป็นของสกโปกนะท่านก็ยินดีที่จะคลายทิ้งไม่เสียดายอะไม่เสียดายนะแต่บางทีนักปฏิบัติสิ่งที่ยากคือเสียดายความสุขเสียดายความสบายเสียดายการภาวนาที่มันเคยดีเลยนะมันจะเกิดความเสียดายอะไรอาวรอนนะ่เนี่ยพวกนี้ยมันมันก็เป็นโจทย์ของเรานะที่เราจะต้อง ฝึกยังไงอืจริงภาวานานานๆา น, นะเจอสภาวะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะสุขบ้างนะสงบบ้างเลยนะได้อารมณ์ปฏิบัติบ้างนะนะต้องก็ต้องดูดีๆว่าอืมเวลาที่มันเสื่อมลงไปเวลาที่มันแย่หรือเวลาที่มันไม่แน่นอนเนะี่ยจิตของเรามันเป็นยังไงเนาะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับร่างกายอ่ะเคยสบายดีพอวันหนึ่งไม่สบายเนะี่ย จิตมันดิ้นโดนมากไอยขนาดไหนนะให้เราเรื่องของกายเรื่องของใจก็เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องของจิตที่ไม่ดิ้นรดนนะแต่มีการทำเหตุที่ถูกทำเหตุให้มันถูกทำเหตุให้มันเต็มที่แต่ข้างในเนี่ยยอมรับได้กับทุกสถานการณ์เนะี่ยอันนี้คือคือการปฏิบัติจริงๆนะบางทีข้างนอกบางทีดูยาก ดูคนข้างนอกอะ่ะบางทีดูยากนะดูการทำของเขาอะ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าใจลึกๆมันเป็นแบบไหนปล่อยวางไม่ปวางเนี่ยดูยากนะแต่ให้เราหมั่นดูตัวเองดีกว่านะอย่าไปดูคนข้างนอกแล้วไปเที่ยวตัดสินว่าดีไม่ดีใช่ไม่ใช่นะมันดูยากแต่ให้เรากลับมาดูตัวเองว่าขนาดเนี้ยจิตใจเป็นแบบไหนนะ เราไปมองคนอื่นหรือกลับมามองตัวเองเลยนะดูดูตัวเองเยอะๆเราการภาวนามันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะทำให้เราเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะเห็นตัวเองคือเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่นแหละนะที่ถ้าเราหลงเราก็จะไปหลงกลายเป็นตัวเราแต่ถ้าเรารู้มันก็เป็นเพียงแค่อาการนะลองดูตรงนี้น สังเกตโดยได้ดงเมื่อไหร่เนี่ยเป็นตัวเป็นตนเลยอ่แต่ถ้าดูเมื่อไร่เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่อาการอ่าอืมอาการไม่ใช่ไปไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันก็คืออาการนะนี่ยก็ก็ฝากไว้เนาะก็ครั้งนี้ก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้นะปีหน้าก็ค่อยว่ากันไวอืมแต่ก็ ให้เราัำปฏิบัติกันทุกๆวันแล้วกันนะ